มาเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและมาหาคำตอบยอดนิยมของชีวิตก็คือเรามาเกิดกันทำไมอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนมักจะถามตัวเองว่าเรามาเกิดกันทำไมถ้าไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. เราก็จะไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง mm hmm. แต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า mm hmm. เราก็จะได้คำตอบจากพระพุทธเจ้าว่าเรามาเกิดทาไมเรามาเกิดเพื่อมาหยุดการเกิดนั่นเอง เพราะว่าการเกิดนี้มันไม่ดีมันเป็นทุกข์เกิดแล้วจะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตายเจอกับการทัพรา่าะจากของรักของจารันใจทั้งหลายทั้งปวง mm. การเกิดจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันเป็นความทุกข์ การไม่เกิดนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าไม่ได้เกิดแล้วก็จะได้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพลัดพรากจากกันอีกต่อไปพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่ส่งค้นพบคําตอบอันนี้และส่งค้นพบวิธีของการหยุดการเกิดว่าทําอย่างไร ถึงจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงศึกษาได้ทรงปฏิบัติจนค้นพบวิธีของการที่จะหยุดการเกิดได้แล้วแลวพระ อ, องค์ก็ทรงสามารถหยุดการเกิดของพระ อ, องค์ได้แล้วพระ อ, องค์ก็ทรงนำเอา ความรู้และวิธีของการปฏิบัตินี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับศาสตร์โลกไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามที่มาตัดสร้นแล้วก็มาสอนพระธรรมคำสอนจะสอนวิธีเดียวกันทั้งหมดวิธีของการหยุดการมาเกิดถ้าเรา ไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเราก็จะต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงปฏิบัติและได้นำเอามาสั่งสอนให้กับผู้ที่ปรารถนาการไม่เกิดอีกต่อไปคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้ ก็มีอยู่สามข้อด้วยกันคือหนึ่งให้นักการกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์วิธีการทั้งสามนี้จะเป็นวิธีที่จะทำให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ พระพุทธเจ้าได้ท่งพิสูจน์มาด้วยโอ้ยิงแล้วและหลังจากที่นํเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ปรารถนาการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีผู้ที่นําเอาไปปฏิบัติตามและพิสูจน์ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าวิธีการที่พระเจ้าได้สั่งสอนนี้ เป็นวิธีการที่ถูกต้องเป็นวิธีการที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างแน่นอนกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งแก่ผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นต่อไปเพราะว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงตัดสัตวได้ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนหลังจากนั้นตรีละร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องถึงจุดจบคือถึงแก่ความตายหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตาจากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระอรหันตสาวกทั้งหลายและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไปให้เป็นแสงสว่างนำทางพาสัตว์โลกให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มีการสืบทอดวะธรทำคำสอนมีการบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นระยะระยะ จนกรทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาก็ยังไม่สูญจากการมีผู้นําทางคือพระอาลันตัสาวกทั้งหลายยังมีพระอาลันตัสาวกอยู่ในโลกนี้อยู่ยังมีพระธรรมคำํำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่ไว้และมีการเก็บบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ที่ชื่อว่าพระไตรปิฎก พระธรรมนนี้และพระหลันตสาวกนี้ยังเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางให้ไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ให้ยุติการมาเกิดได้ถ้าผู้ที่ปรารถนามีศรัทธามีความเชื่อและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ ไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดเด็กต่อไปอก็จะได้ศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและจากพระจากพระอรันตสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาแล้วก็จะได้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างพระพุทธเจ้าหรือพระอรันตสาวกทุกทุกพระองค์ก็จะสอนเหมือนกัน สอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสอนให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระโอวาทปฏติโมกในวันมาคบบูชาที่มีพระอรันตสาวกหนึ่งพันสองห้าิบรูปด้วยกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนแล้วเวลาที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับพระอนันตสาวกก็ทรงแสดงหลักการปฏิบัติสามข้อนี้ให้พระอนันตสาวกนี้ใช้เป็นแนวทางในการเผยแผ่ธรรมะให้แก่สัตว์โลกจึงมีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนสามข้อนี้มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา25งพ้ากว่าปีมาแล้วเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวากขาโตภะวตาธมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามหลักความเป็นจริงทุกประการถ้าปฏิบัติธรรมทั้งสามข้อนี้ได้<ม>การยุติหรือการหยุดการมาเกิดก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอน แล้วก็มีผู้ที่ได้พิสูจน์และได้รับรองคําสอนนี้มาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ mm hmm. ก็ไม่มีใครมาปฏิเสธว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทําให้ยุติการมาเกิดได้นี้ไม่ใช่เป็นคําสอนที่ถูกต้องที่ไม่สามารถทําให้ยุติการมาเกิดได้ mm hmm. ไม่มี ใครที่จะมาแยง้งคำสอนอันนี้ของพระพุทธเจ้าได้เลย mm. ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการที่หยุดการมาเกิด mm. ก็ขอให้มีความเชื่อมั่นได้ร้อยเอร์เซนว่าถ้าปฏิบัติทำตามสามข้อที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนให้ปฏิบัติแล้วรับ mm. ประกันได้ว่าจะไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป ดังนั้นอยู่ที่ผู้ศึกษาผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าว่าจะน้อมนำมาไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรเท่านั้นเอง<ม>ถ้าปฏิบัติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ที่เรียกว่าสุปฏิปันโน<ม>ปฏิบัติอย่างเต็มร้อย<ม>สอบถ้าสอบก็ได้ข้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกข้อสอบ ข้อสอบละการกระทำบาปก็ได้ร้อยเปอร์ซสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมก็ได้ร้อยเปอร์ซนต์ระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ได้ร้อยเซถ้าได้ร้อซ์ทั้ง3าข้อก็เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผลของการปฏิบัติก็คือปฏิเวทคือบรรลุมรคนิพานธ์มรสีผลสี่นิพันหนึ่งก็จะเป็นผลที่จะตามมาตามลำดับต่อไปไม่มีที่กังขาไม่มีอะไรที่จะต้องนั่งเลสงสัยที่จะต้องมาสงสัยว่าะารทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เสื่อมไปตามการตามเวลาหรือไม่ เพราะสมัยนี้บางคนก็คิดว่าปฏิบัติไปก็ไร้ผล<ม>เพราะว่าไม่เหมือนกับสมัยที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นครูเป็นอาจารย์ ม, มีพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็จะได้ธรรมะร้อยเปอร์เซ็นตแต่ น, นี่ก็ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงพระพุทธเจ้าทรงไม้ตัดไว้แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปว่า ถึงแม้เราจะจากพวกเธอไปแต่เร า, าศาสดานี้ยังอยู่กับพวกเธอต่อไปพวกเธอนี้จะไม่ได้อยู่ปราศจากาศาสดาเพราะว่าผู้ที่จะมาทําหน้าที่แทนาศาสดาก็คือพระธรรมคําสอนพระธรรมวินัยที่ได้ทรงตรัสสอนไว้แล้วนี้จะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปถ้าพวกเธอศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ได้ทรงสั่งสอนไว้พวกเธอก็ถือว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนของเราได้ปฏิบัติจักกับเราจึงไม่มีที่มีเหตุอะไรที่จะทำไม่ให้เกิดผลตามมาต่อไปเหตุที่ไม่ทำให้ไม่เกิดผลส่วนใหญ่ก็เกิดจากการไม่ปฏิบัตินั่นเองเกิดจากความสงสัยเกิดจากความไม่แน่ใจ จึงทำให้ไม่กล้าปฏิบัติกลัวปฏิบัติแล้วจะไม่ได้เกิดผลขึ้นมาก็เลยไม่ปฏิบัติกันพอไม่ปฏิบัติกันก็เลยมาโทษว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้หมดยุคหมดสมัยเสียแล้วปฏิบัติไปก็จะไม่ได้ผลแต่อย่างใดแต่มีคนที่เขามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เขาน้อมนำเอาไปปฏิบัติอย่างเต็มที่เขาก็ได้รับผลปรากฏเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากมนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในใจของผู้ที่มีความปรารถนาอยากจะหลุดพ้นแต่อาจจะไม่ได้ยินได้ฟังคำพูดของคนที่ไม่รู้ ความจริง<ม>พูดไปในแนวทางที่อาจจะทําให้เกิดความนังเลสงสัยก็ได้<ม>ดังนั้นเพื่อกําจัดความนังเลสงสัยเหล่านี้<ม>อย่าไปฟังคําพูดของคน<ม>ไปฟังคําพูดของพระพุทธเจ้าเป็นหลักก่อนแล้วก็ไปเปรียบเทียบคําสอนของพระพุทธเจ้ากับคําสอนของผู้อื่นดูว่า ตรงกันหรือไม่หรือขัดกันตรงไหน<ม>ถ้ามีการขัดกัน<ม>ก็ไม่ต้องไปเชื่อคำสอนของคนคนนั้นให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>พุทธเจ้าบอกว่าธรรมของพระองค์เป็นอากาลิโก<ม>เป็นธรรมที่ไม่มีอยู่เสริมตามการตามเวลามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเหมือนกับในยุคที่พระพุทธเจ้ายัางทรงมีพระชนชีกอยู่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลก็จะปรากฏขึ้นมาคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งที่ทรงตัดที่มีการแสดงไว้ในบทสังฆคุณสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็น อริยบุคลบุคลโอขึ้นมาคือมีพระ อ, อริยสงฆ์ปรากฏตามลําดับจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สี่คือขั้นพระโสดาบันพระสกีดาคามีพระ อ, อนาคามีและพระพระ อ, อรหันต์ตามลําดับอันนี้จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ทุกๆประการ เ, ออเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งไม่ให้ผลอันเลิ่อันประเสริฐีปรากฏขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัติเองเอออ น, นี้ก็คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติผู้ที่ต้องการหยุดความความเวียนว่ายตายเกิดหยุดการมาเกิดนี้จำเป็นต้องมีความเชื่อมัน่น เชื่อมันว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับสมัยที่พระเจ้าทรงเป็นผู้แสดงธรรมด้วยพระ อ, องค์เองเพราะว่าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้นี้ก็มีการจดบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกและได้รับได้การรับรองจากพระอรหันต์สาวกห้าร้อยรูปด้วยกันคือตั้งแต่ วันที่พุทธเจ้าสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธพ า, านิพานพระอรหันต์ห้าร้อยรูปก็มาประชุมกันมาประชุมเพื่อมารับรองพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจำไว้ในใจของพระสงฆ์ทั้งหลายให้เอามาเปรียบเทียบกันแล้วเอามาสังคายนาเอามาตรวจมาสอบดูว่า จำได้เหมือนกันหรือไม่ถ้ามีตรงไหนที่ขาดตกบกพร้อมก็มีพระรูปอื่นที่จะได้นำเอามาเสริมเอามาแก้กันได้แล้วท่านเป็นพระอลันตสวัวกรับประกันได้ ว, ว่าเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็น<ม>ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่แปลกปอมนอกเหนือคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามา เชื่อฟอยู่ในพระธรรมที่พระเจ้าได้ทรงตัดทรงแสดงไว้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลนานาันใดที่จะต้องมาลังเลสงสัยว่าคําสอนของพระท้าเจ้าในพระไตรปิฎกนี้เป็นคําสอนที่ไม่ถูกต้องเลยเป็นคําสอนที่เชื่อได้ฝากเป็นฝากตายไว้กับคําสอนนี้ได้เบื้องต้น ก็ควรที่จะศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนแล้วถ้าเรายังไม่เข้าใจในบางหัวข้อหรืในบางเรื่องหรือรายละเอียดของการปฏิบัตินี้ยังอาจจะไม่เข้าใจก็ไปศึกษากับพระสุปฏิปันโนต่อไปไปศึกษาดูว่าท่านสอนแนวเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนหรือไม่ถ้าเป็นคําสอนที่ แนวเดียวกันก็ปฏิบัติตามได้เลยไม่ต้องนังเลยสงสัยแต่ถ้าเป็นคำสอนที่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ต้องเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนอย่าไปเชื่อคำสอนของบุคคลที่เราไม่แน่ใจว่าเขารู้จริงเห็นจริงหรือไม่ถ้าเป็นคำสอนที่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ให้ถือได้เลยว่ามันไม่ใช่เป็นคำสอนที่ถูกต้องเช่นมีมีคำสอนของครูอาจารย์บางลูกมาว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้นั่งสมาธิอันนี้ก็มันก็ขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งแสดงไว้ในมรรคแปดอยู่แล้วว่าสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิฝึกสติปไป เมื่อมีสติแก่ก้าเวลานั่งสมาธิจิต ก, ก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้จิต ก, ก็จะได้มีอุเบกขามีพลังที่จะใช้ต่อสู้กับกิเลสเวลาใช้ปัญญาวิเคราะห์และเห็นโทษของกิเลสว่าเป็นตัวที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดก็จะสามารถยับยั้งหยุดกิเลสตัณหาต่างๆได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิ ใจจะไม่มีกำลังที่จะสามารถหยุดกำลังของกิเลสตัณหาได้ถึงแม้ปัญญาจะชี้บอกว่าตัวที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาก็ตางแต่ถ้าใจไม่มีสมาธิไม่มีเบคาใจจะไม่มีกำลังสู้กับความอยากต่างๆได้<ม>นี่ก็คือเรื่องของการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ต้องศึกษาให้รอบครอบให้มีมาตรฐานเป็นเครื่องวัดคําสอนของครูบาอาจารย์รูปอื่นว่าครูบาอาจารย์รูปอื่นนั้นท่านสอนตามที่พระเจ้าทรงสอนหรือไม่ถ้าไม่สอนตามคําสอนก็อยากไปเชื่อจะดีกว่าจะปลอดภัยกว่าให้เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้า ะพยายามปฏิบัติไปตามความรู้ตามความสามารถของเราไปจะดีกว่าถึงแม้อาจจะล้มลุกคลุกคานถึงแม้อาจจะไม่รวดเร็วแต่ก็ไม่หลงทางอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าต้องถ้าต้องการที่จะยุติการมาเกิดหยุดการเกิดก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนสามข้อใหญ่ด้วยกัน ที่เป็นคําสอนที่ไม่มีใครไม่มีพระาอาจารย์สาวกรูปใดมาปฏิเสธครั้งนี้ไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระอาจารยสาวกห้าร้อยรูปที่ทําการสังฆานะพาพระทำคําสอนของพระพุทธเจ้าสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปานนีพผานไปแล้วนี้ทุกๆองค์ก็มารับรองคําสอนอันนี้ด้วยกันทุกคน ไม่มีใครมาปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ใช่เป็นธรรมที่จะนาไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นขอให้พวกเรามีความมั่นใจได้ว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามข้อนี้แล้ว mm hmm. เราจะได้รับผลที่เราต้องการอย่างแน่นอนคือการหยุดการมาเกิดได้อย่างได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ mm ็ hmm. ์ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำกันถ้าเราต้องการที่จะหยุดการมาเกิดเพราะการมาเกิดนี่มันเป็นการมาหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการมาหาความสุขความสุขที่ได้จากการมาเกิดเป็นความสุขแบบแบบแบบยาขมเคลือบน้าตาลเป็นความสุขผิวบางๆที่เคลือบความทุกข์ก้อนใหญ่ๆอยู่นั่นเองพอน้าตาลที่เคลือบอยู่จางหายไปก็จะเจอ เจอ ก, กับความทุกข์เจอ ก, กับความขมขื่นไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเวลาแก่แล้วนี่จะไม่เจ็บจะไม่ทุกข์กันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กันเวลาจะตายนี้จะจะไม่ทุกข์กันไม่มีใครปฏิเสธทุกคนกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายด้วยกันทั้งนั้นถ้ากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายแล้วมาเกิดกันทาไมถ้ากลัวจริงๆแล้วมันต้องไม่เกิด และการที่จะไม่มาเกิดก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจ ร, งริงจังไม่ใช่ปฏิบัติกันอย่างพอหอมปากหอมค อ, อพอสะสมบุญบรารมีไปถ้าปฏิบัติอย่างนี้มันก็ยังกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆมันต้องปฏิบัติแบบเต็มร้อยเอาจรงิงเอาจังทาให้ทนาคะนนนข้อสอบให้ได้เต็มร้อยทั้งสามข้อสอบละการกระทาบาปละได้ทั้งหมด สร้างบุญสร้างกุศล ส, สร้างได้ทั้งหมดตามกําลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ตามกําลังความสามารถที่เรามีอยู่ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องต้องทําแบบเต็มที่เอาจริงเอาจังไม่ใช่ทําแบบพอหอมปากหอมคอถ้าทําตามพอหอมปากหอมคอมันจะไม่ได้ผลที่เราต้องการคือมันจะไม่หยุดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ น, นั่นเอง ดังนั้นขอให้เรามีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเริ่มต้นจากกำลังที่เรามีอยู่เรามีมากมีน้อยทำได้เท่าไหร่เราก็ทำไปตามกำลังของเราไปก่อนแล้วก็เมื่อเราทำไปแล้วพอได้ผลเกิดขึ้นมาผลที่เกิดจากการกระทาของเรานี้มันจะเป็นกำลังให้เรามีกำลังเพิ่มมากขึ้น เมื่อเห็นผลของการปฏิบัติว่าทำให้เกิดความสุขใจมากขึ้นทำให้เกิดความทาให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจลดน้อยถอยลงไปทำให้กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจนี้เบาบางลงไปมันก็จะทำให้เรามีความยินดีมีฉันทะวิรยีย<ม>ความยินดีที่จะปฏิบัติมีความเพียรที่จะปฏิบัติมากขึ้น แล้มันก็จะเพิ่มกำลังขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติก็คือไม่ต้องมีการบีบบังคับคอยผลักดันให้ปฏิบัติตามคาสอนอีกต่อไปมันจะปฏิบัติไปด้วยความยินดีด้วยกำลังของมันเองจนพาให้ไปสู่จุดหมายปลายทางคือการยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างแน่นอน ฉัง น, นั้นสิ่งที่ลากที่เราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือให้ลา ก, การกระทำบาป ท, ทั้งปวงบาปก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกัน mm hmm. ก็คือหนึ่งไม่ให้คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต mm hmm. สองการลักทรัพย์ของผู้อื่นสาการประพฤติผิดประเพณีสการพูดปดและห้าการดื่มสุรายามเมา เพราะว่าเวลาดื่มสุรายาเมาขึ้นมาแล้วก็จะเกิดอาการมึนเมาขาดสติที่จะมาคอยยับยัง้งการกระทำบาปไม่ได้นั่นเองเวลามีความเมาแล้วนี้เวลาคิดจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะทำได้อย่างง่ายดายเวลาจะรักทรัพย์เวลาจะพ่อพืชผิดประเพณีเวลาจะพูดปดนี่มันก็จะสามารถทำได้อย่าง ไง่ายได้ไม่มีอะไรมายับยัง้งต่างกันต่างจากเวลาที่ไม่มึนเามาเวลาไม่มึนเมานี้จะมีสติจะรู้จะรู้ทันว่ากําลังจะทําบาปก็มักจะยับยั้งกันได้ไคนคนเดียวกันนี่สังเกต ด, ดูกิริยาอาการเวลามึนเมากับเวลาไม่มึนเมานี้มีกิริยาอาการที่ต่างกันเหมือนเป็นคนละคนงัน เวลาไม่มึนเมานี่กิริยาการจะสุภาพเรียบร้อยอแต่เวลาเกิดอาการมึนเมาขึ้นมากิริยาการการกระทําการพูดจะเป็นการกระทําที่ไม่สุภาพเรียบร้อยอะจะเป็นการกระทําที่อยากคายเพราะไม่มีสติ ค, คอยควบคุม อ, อารมณ์หรือความคิดที่ไม่ดีที่ที่มักจะผุดขึ้นในใจอยู่เรื่อยๆนั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำกันก็คืออย่าทำบาปเพราะการกระทำบาปนี้จะพาให้ใจของเราไปเกิดในอาบายกันนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการมาเกิดไปเกิดในอาบายนี้ยิ่งแย่ ก, กว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหลายหลายร้อยเท่าด้วยกันเพราะอาบายนี้มันเป็นเหมือนคุกเหมือนตารางเป็นที่อยู่ของที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุข ขั้นแรกพูะเจ้าจึงทรงสอนให้เราปิดประตูบายกันอย่าทำบาปกันพยายามยับยั้งใจพยายามเจริญสติรักษาใจให้มีสติอยู่ด้วยการไม่ดื่มสุรายามเมาหรือของมึนเมาต่างๆเพราะถ้าดื่มไปแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดการกระทำบาปตามมาอย่างแน่นอนและเมื่อไดมีการกระทำบาปแล้ว กรรมอันนี้กรรมที่คือคือบาปกรรมที่ทำนี้มันมีวิบากวิบากก็คือมันจะดึงดวงวิญญาณให้ไปเกิดในอบายแทนที่จะหยุดการเกิดมันก็จะดึงให้ไปเกิดในอบายก่อนดั mm hmm. งนั้นต้องพยายามลดการกระทำบาปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอันใดก็ตามบางคนก้างว่าต้องทาบาเพื่อเล้งชี ถ้าไม่มีถ้าไม่มีอาชีพนี้ทําก็จะอดตายเป็นคนที่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเขาก็อ้างว่าถ้าไม่ทําอาชีพนี้เขาก็จะไม่มีกินแต่ความจริงแล้วมันมีอาชีพเบื่นที่สามารถทําได้อาจจะยากกว่าอาชีพที่ทําอยู่ในขณะนี้อาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เป็นอาชีพที่สุดเจริตเพียงแต่เขาไม่ ไม่ต้องการที่จะหาทางอื่นทท้งนั้นเองเราก็เลยอ้างว่าถ้าไม่ทำแล้วก็จะอดตาย<ม>ทำบาปด้วยด้วยด้วยการเลี้ยงชีพนี้ท่านเรียกว่าทำบาปด้วยความไม่รู้ว่ามีผลตามมาทำบาปด้วยความหลงทำบาปด้วยความหลงนี้ท่านบอกว่าตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเ<ม><ม>พราะสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าการอยู่ การการเลี้ยงชีพของเขานั้นเป็นการเลี้ยงชีพที่จะพาให้เขาไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่เรื่อยๆนั่นเองสัตว์เดรัจฉา น, นที่ยึเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยตรงนี้ก็จะอยู่เป็นสัตว์เดรัจฉานไปเรื่อยมนุษย์ที่เป็นมนุษย์แล้วไปทำอาชีพแบบสัตว์เดรัจฉาน พอรั่งกายตายไปใจก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปอ น, นี่คือบาปที่เกิดจากทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้หรือทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพ<ม>ก็จะพาให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกัน<ม>แล้วถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆ<ม>อยากรวยมากๆ<ม>อยากเป็นใหญ่เป็นโตรหรืออะไรก็ตาม ทำบาบด้วยความโลภนี้ท่านก็บอกว่าจะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยคือเปรตเรียกว่าเปรต ด, ดวงวิญญาณนี้จะมีแต่ความหิวโหอยอยู่ตลอดเวลาได้กินได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเกิดความหิวโหยตลอดเวลาความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหยก็จะไปเป็นเป็นเปรต ส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความหลงด้วยความกลัวทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนเช่นเวลาที่มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์เลืเล้อยคลานรอะไรแมลงสัตว์ต่างๆเข้ามาในบ้าน<ม>ก็จะกำจัดเขาทันที<ม>ด้วยการฆ่าเขาอย่างนี้เรียกว่าทำบาปด้วยความกลัว<ม>ตายไปก็จะเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว พุ่ห่อหลอกล้อนจิต ด, ดวงวิญญาณตลอดเวลาจะหาความสงบสุขไม่ได้เลยมีแต่เรื่องหลอกล้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทความโกรธความเกลียดเคียดแค้นตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าตายไปก็จะไปอยู่ในนรกเป็นดวงวิญญาณที่จะถูกไฟ นรกคือไฟของความเครียดแค้นนี้คอยเผาผลาญจิตใจอยู่ตลอดเวลา mm. นี่แหละคือวิบากกรรมของการกระทาบาป mm. จะนาพาไปสู่อบายทั้งสี่เพราะเหตุของการทาบาปมีอยู่สีด้วยกันทำบาปด้วยความหลง mm. ไปเป็นเดรัจฉานทาบาปด้วยความโลภไปเป็นเปรตทาบาดด้วยความกลัวไปเป็นอสุลกายทาบาปด้วย พามาฆ่าพยาบาทเคียดแค้นก็จะไปนรกนะก็จะอยู่ในสภาพเหล่านี้ไปจนกว่าบาปกรรมที่ได้ทำไว้หมดกำลังลงนะก็จะปล่อยให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นะและพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มักจะกลับมาทำบาปแบบเดิมเพราะมันจะเป็นนิสัยติดตัวมาด้วยคนที่เคยชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงชีพก็จะกลับมาทาแบบเดียว ทำเหมือนเดิมคนที่ทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะกลับมาทําบาปด้วยความโลภต่อไปจะยกจะมีข้อยกเว้นก็ต่อเมื่อได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของคนดีที่สอนให้ละการกระทาบาปอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของดวงวิญญาณดวงนั้นได้ เคยทำบาปอยู่เรื่อยๆแต่พอมาเกิดชาตินี้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วมาได้ยินได้ฟังว่าการทำบาปนี้จะนำพาไปสู่การเกิดในอบายและจะทำให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงถ้าอยากจะยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเบื้องต้นก็ต้องมาละ ก, การกระทำบาปให้ได้ก่อนปิดตัวอบาย อย่าไปเกิดในอบายถ้ า, าร่าการกระทำบาปได้เวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะสามารถยกระดับดวงวิญญาณให้ขึ้นสูงไปกว่าการเป็นมนุษย์ให้ไปขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหมถ้าไปเป็นพระอริยบุคคลไปพระนิพพาน เมื่อยกระดับใจดวงวิญญาณให้ไปสึงขั้นพะนิพานได้ก็จะไปจุดที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นแผนที่ของการดำเนินการเพื่อที่จะหยุดการเกิดนี้ก็มีขั้นต้นขั้นที่หนึ่งก็คือปิดประตูาบายอย่าไปเกิดในอาบายด้วยการไม่ทำบาปรักษาศีลห้าไปตลอดชีวิต ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเพณีละเว้นจากการพูดปลดละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาต่างๆสุรายาเมานี้ความจริงยังไม่ถือว่าเป็นบาปนะเป็นอบายามุกเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทำบาปได้ง่าย ดื่มชโลาแล้วมึนเมาก็จะเป็นไม่มีสติคอยยับยังอารมณ์เวลาที่คิดจะทําบาปก็เลยทําให้ทําบาปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้มึนเมาไม่ได้ดื่มชโลายาเมาถ้าดื่มชโลาแล้วแล้วก็ไปนอนไม่ได้ไปทําบาปอันนี้ก็ยังไม่เป็นบาปแต่ก็เป็นการปิดกัน้นการกระทําที่ดีแทนที่จะเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมหรือเอาไปทําบุญทําทานก็จะไปไม่ได้ เมื่อกิดาอาการมอนเมาก็อาจจะนอนเข้านอนเสียถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปทำบาปมันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะกระทำเพราะมันจะปิดกั้นการการไปสู่ที่สูงของดวงวิญญาณได้เพราะจะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะไปทำความดีต่างๆนั่นเองอบายามุกนอกจากการดื่มสุราแล้วก็ยังมีการเล่นการพนันการเที่ยวเตการเกลียดค้าน แล้วก็การคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเนี่ยการกระทาเหล่านี้เป็นการกระทาที่จะพาให้จิตใจไปทำบาปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้เสบอบายามุขเช่นถ้าเล่นการพนันแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดเนื้อหมดตัวเมื่อไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ก็จะต้องไปรักทรัพย์ของผู้อื่นมาใช้ต่อไปถ้าไปเที่ยวก็เช่นเดียวกันเที่ยวบ่อยๆไม่ไปทางานทาการเอาแต่เที่ยว เงินทองที่มีอยู่ไม่ช้าก็เลยก็ต้องหมดพอเงิ น, นทองหมดไม่พอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีไม่ชอบไปทําบาปด้วยการโกหกหลอกลวงด้วยการไปลักทรัพย์ของผู้อื่นนั่นเองเช่นเดียวกับความเกลียดแค้นความเกลียดแค้นก็ทําให้ไม่มีรายได้เมื่อไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเดี๋ยวทรัพย์ที่มีอยู่ก็จะไม่พอใช้ก็จะต้องไปทําบาปเพื่อที่จะเอาทรัพย์มาเลี้ยงตนเองต่อไป กานะรคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบดื่มสซราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสซดาถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบเล่นการพ น, นัน <c oughs> เขาก็จะชวนเราไปเล่นการพ น, นัน <c oughs> เ, รรเราไปชบกับคนที่ชอบเรที่ยวและเขาก็จะพาและชวนเราไปเที่ยวคบกับคนที่มีความเกลียดค้างาก็จะชวนให้เราเกลียดคาด้วย ดนั้นอบายยมุกนี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษต่ตอจิตใจเพราะจะเป็นเหตุจูงใจหรือบังคับให้ใจต้องไปทําบาปต่อไปนั่นเองจึงควรจะละด้วยละบาปล ะ, ละอบายยมุกแล้วการที่จะไปเกิดในอบายนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้ก็คือข้อแรกที่ทุกคนสามารถทํากันได้ศี่ห้านี้ไม่ใช่เป็นของยากเย็นตรงไหน การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดประเพณีการไม่พูดปลด <Yeah. S 2> การไม่ดื่มสลายาเมาและไม่เสพอบายามุกต่างๆ uh huh. เป็นของที่ผู้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะหยุดการมาเกิดนี้จําเป็นที่จะต้องทําให้ได้ uh huh. เมื่อทําได้แล้วขั้นต่อไปก็คือจะต้องยกระดับจิตใจ uh huh. จากมนุษย์ให้เป็น ให้ขึ้นสูงขึ้นไปให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆการต้ตตนก็ก็ให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพการจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพก็เกิดจากการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึง็จพร้อมนั่นเองให้เราทําบุญทําบุญทําทานทําความดีตามกําลังของเราตามความตามเหตุตามปัจจัยของเราทําความดีต่างๆกับบุคคลต่างๆไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องทําบุญกับพระาศาสนาเพียงอย่างเดียว ทำบุญกับผู้มีพระคุณทั้งหลายเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจาร ย, ย, ย, ย์ทำบุญสงฆ์เคราะห์ญาติพี่ญาติสนิทมิตรสายทำบุญสงเคราะห์ผู้ที่ยากไร้ทำบุญช่วยสังคมเป็นจิตอาสาอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าถือว่าเป็นการทําบุญทําคุณทําประโยชน์ให้กับผู้แล้วก็จะทําประโยชน์ให้กับตนเอง ประโยชน์ของตัวเองก็คือจะยกระดับจิตร ะ, ะดับดวงวิญญาณของตนให้ขึ้นสูงจากจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทเพ เ, เป็นเทวดา mm hmm. เวลาตายไป mm hmm. ผู้ที่ได้ทําบุญทํากุศลต่างๆเหล่านี้และได้ละการกระทําบาปนีก็จะตายไปก็จะไปเกิดในสวรรค์ก่อนไปท่องเที่ยวไปหาความสุขจากสวรรค์ที่เป็นสถานที่ที่สุขมากกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วพาวุ่นกุศลที่ส่งให้ไปอยู่ในสวรรค์หมดกําลังก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ายังไปไม่ถึงจุดสูงสุดคือพระนิพพา น, านก็ยังต้องกลับมาเกิดอยู่แต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีวาสนะเป็นมนุษย์ที่ใจบุญใจกุศลกลับมาก็จะชอบทําบุญทําทานชอบทําความดีต่างๆจะไม่ชอบเล่นการพ น, นันจะไม่ชอบเดื่มสุรายามาจะไม่ชอบกระทําบาป ก็จะเวียนว่ายในตายเกิดในสุติไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าอาจจะสามารถยกระดับดวงวิญญาณหรือจิตใจให้สูงขึ้นไปกว่าชั้นเทพถ้าอยากจะยกระดับให้สูงกว่าชั้นเทพขั้นต่อไปก็ต้องทําข้อที่สามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธินะ์การชําระจิตใจให้บริสุทธิ์นี้ก็แบ่งเป็นสองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสมถภาวนา ทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นฌานเป็นสมาธิให้เป็นพรหมขึ้นมาถ้าได้ฌานได้สมาธิจิตใจก็จะยกระดับจากเท่ไปขึ้นไปเป็นพรหมแล้วจากระดับพรหมก็ให้ปฏิบัติขั้นที่สองของการภาวนาที่เรียกว่าวิปัสนาภาวน า, า, วนาคือการเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นกายลัก ถ้ามีดวงตาเห็นธรรมก็จะสามารถยกระดับจิตใจให้ขึ้นจากจากจากพรมโลกขึ้นไปสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไป<ม>ถ้ามีปัญญาก็จะบรรลุมรรคผลนิพพาน<ม>ขึ้นจากสวรรค์ชั้นพามไปสู่ชั้านอริยบุคคล<ม><ม>ไปเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอหรหันต์ตามลำดับต่อไป<ม><ม>อันนี้จะเกิดขึ้นก็ก็ ต้องมีการปฏิบัติทำข้อที่ข้อที่สามแต่ก่อนที่จะปฏิบัติข้อที่สามได้ก็ต้องปฏิบัติข้อที่ข้อที่สองให้ได้ก่อนและก่อนที่จะปฏิบัติข้อที่สองให้ได้ก็ต้องปฏิบัติข้อที่หนึ่งให้ได้ก่อนข้อที่หนึ่งก็คือละการกระทํำบาปทั้งปวงเมื่อละรักษาศีลได้แล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลก่อนทําความดีในรูปแบบต่างๆแล้วแต่สภาพแวดล้มแล้วแต่เหตุการณ์ที่เราไปเกี่ยวข้องด้วย ถ้าเราต้องทําความดีกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เราก็ทําไปถ้าเราต้องทําความดีกับสถาบันนั้นสถาบันนี้เราก็ทําไปขอให้เราทําแต่ความดีก็แล้วกันทาว่าดีก็คือทําสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นไม่เกิดโทษกับผู้<ม>เรียกว่าเป็นการทําความดีเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทําได้กับทุกคนการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนี้ไม่จําเป็นจะต้องเลือกบุคคลก็ได้ การที่เราเลือกบุคคล น, นี้ความหมายก็คือเราต้องการนอกจากต้องการจะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้ขึ้นไปเป็นเทพแล้วเรายังอยากจะได้ธรรมะจากผู้ที่เราไปทำบุญทำทานด้วยอย่างนี้เราก็ต้องเลือกบุคคลถ้าเราต้องการธรรมะจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยก็คือบุคคลที่มีธรรมะที่จะสอนให้เราฉลาดขึ้นให้มีความรู้มากขึ้น บุคคลที่จะมีธรรมะมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะได้ธรรมะมากๆ ก, ก็ไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าลองลงมาก็เป็นพระอาจาน์ตัสมกทั้งหลายลองลงมาก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตามลําดับลองลงมาก็เป็นพระที่มีศีลมีสมาธิเป็นต้นนี่คือบุคคลที่มีธรรมะในระดับต่างๆที่จะมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรา ถ้าเราทําบุญเพื่ออยากจะได้ธรรมะเราก็ต้องเลือกบุคคลแต่ถ้าเราทําบุญเพื่อยกระดับจิตใจให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆนี้ทํากับใครก็ได้เหมือนกันทํากับมนุษย์ก็ได้ทํากับสัตว์ในราฉานก็ได้ช่วยเหลือสองเคราะห์สัตวท์ที่ตกทุกข์ได้ยากปล่อยนกปล่อยปลาไปถ่ายชีวิตวัวควายเป็นต้น ก็ได้บุญได้ยกระดับเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเราก็สามารถทำกับใครก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะได้ธรรมะด้วยเราก็ต้องไปทำบุญกับพระที่มีธรรมะคือพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนั่นเองอันนี้เป็นข้อข้อแตกต่างกันในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศล เพราะว่าถ้าเราได้ทําบุญกับพระอริยะทํากับผู้ที่มีธรรมะเราจะได้เรียนรู้ธรรมะมากขึ้นเราจะได้เราจะได้เรียนรู้ว่านอกจากการรักษา ศ, า ศ, า ศ, าศาีลนอกจากการทําบุญทําทานแล้วเรายัางต้องมาทำน้าจิตใจของเราให้สะอาดด้วยเพราะจิตใจของเราที่ไม่สะอาดที่ยังมีกิเลสกิเลสหุ้มห่ออยู่นี่จะถูกกําหนัตของกิเลสที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนั่นเอง ถ้าเราต้องการหยุดการเกิดแก่เจ็บตายนอกจากการรักษาศีลนอกจากการทําบุญทําทานแล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมไปชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาขั้นที่หนึ่งของการบําเพ็ญจิตตภาวนาก็คือเราต้องอทําจิตใจให้สงบให้เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในฌานขั้นต่างๆในรูปฌานหรืออารมูปฌาน อันนี้เป็นขั้นที่จะยกระดับจิตใจจากสวรรค์ชั้นเทพให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพร ม, มเพราะก่อนจะไปถึงพระนิพพานได้ต้องผ่านสวรรค์ชั้นพรมก่อนนั่นเองออก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีการเจริญสมาธิกันสมถะภาวนา น, นี้ก็คือการเจริญสมาธิและการจะได้สมาธิได้อัปปนาสมาธินี้ก็จําเป็นจะต้องมีสติสตินี้แหละจะเป็นผู้ส่งให้จิตเข้าสู่สมาธิได้ถ้าไม่มีสตินี้ ก็เหมือนรถที่ไม่มีน้ำมันถ้ารถไม่มีน้ำมันก็จะวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าอยากจะวิ่งไปไหนมาไหนถ้ารถไม่มีน้ำมันเราก็ต้องจอดแวะเติมน้ำมันก่อนพอมีน้ำมันแล้วรถก็จะวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางของเราได้ <c oughs> อย่าในถ้าเราต้องการส่งจิตให้ขึ้นไปสู่พรหมโลกให้เข้าไปสู่ฌานขั้นต่างๆเข้าสู่อัปปนาสมาธิ <c oughs> เราจาเป็นต้องมีสติเป็นผู้ผลักดันจิตใจ ดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิได้เราต้องเจริญสติบ่อยๆเจริญให้มากๆเจริญทั้งวันทั้งคืนเลยนี่แหละเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องไปปฏิบัติธรรมกันแบบเป็นวันๆเป็นเดือนๆเป็นปีๆกันเพราะว่าการเจริญสตินี้เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องถ้าทาแบบชั่วโมงสองชั่วโมงนี้มันจะไม่มีกาลังพอ ที่จะส่งจิตให้เข้าสู่สมาธิได้ผู้ที่ปรารถนาความสงบของสมาธินีจึงจำเป็นที่ต้องไปอยู่แบบนักบวชหาเวลามาให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ด้วยการยุติการะทำกิจกรรมทางด้านการมรงต่างๆด้วยการถือศีลแปด ละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับแฟนละเว้นจากการหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารตามความอยากให้ดื่มรับประทานอาหารตามความต้องการของร่างกายก็ทําเพียงไม่เกินครึ่งวันไม่เกินเที่ยงวันไปหลังจากเที่ยงวันจะได้เอาเวลานี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็ให้ละเว้นจากการเสพความสุขทาง ทางรูปเสียงกลิ่นรสของมอหลสอพและบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภาร์ที่วิจิตรพิสดารเสริมสวยความงามด้วยเครื่องสำอางต่างๆอย่าไปเสียเวลากับกิจกรรมเหล่านี้เพราะจะทำให้ไม่มีเวลามาให้กับการเจริญสติเพื่อยกกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่พรหมโลกนั่นเองถ้าต้องการให้ยกกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปสู่พรหมโลก เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับการเจริญสติให้มากนอกจากการถือศีลแปลแล้วยังก็ต้องมีการไปหาสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกด้วยที่ที่สงบไม่มีอะไรมาลบควนใจไม่มีอะไรมายัย่วยวนควนใจถ้าไปปฏิบัติที่ตามสถานที่ที่มีเสียงกระทื ก, ทกครมมีมหรสถ บ, บันเทิงมีอะไรต่างๆมีเรื่องราวต่างๆมันก็จะมาบรบกวนการทาใจให้สงบ ผู้ที่ต้องการจะทำใจให้สงบเป็นสมาธิจึงต้องไปหาสถานที่ปฏิบัติตามสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆซึ่งมักจะตั้งอยู่ในป่าในเขาเป็นที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติเพราะอยู่กับธรรมชาติที่ไม่ ม, มีที่ไม่ใช่เป็นสิ่งยื้อโยนโกวนใจที่จะคอยดึงให้ใจไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ไปเปีกวิเวกแล้วก็ไปเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเื่นขึ้นมาก็เจริญสติคำว่าสติก็คือให้เราลเลิกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อควบคุมความคิดไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติเราเลิกถึงพพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ตื่นตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนแต่ธทำอะไรก็ไม่ไม่ทิ้งพุโทโธให้มีพุโทโธอยู่ในใจตลอดเวลาถ้ามีพุโทโธอยู่ตลอดเวลาใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลามานั่งสมาธิใจก็จะอยู่กับพุโทโธไปแล้วพุโทโธก็จะพาให้เข้าสู่ความสงบต่อไปใจก็จะดิ่งลงรวมเป็นอปปนาสมาธิขึ้นมาพอใจสงบ ใจก็จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขของการมกรมกคุณทั้งห้านี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบนี้ต่างกันเหมือนเป็นฟ้ากับดินเลยผู้ที่ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี้ก็จะรู้ว่าเป็นความสุขที่ดีที่สุดและจะทุ่มเทเวลาให้กับการหาความสุขแบบนี้ต่อไป เวลาออกจากสมาธิมาถ้ายังมีกิเลสที่ยังอยากจะดึงให้ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็จะใช้ปัญญามาสอนใจว่าการไปหาความสุขทางการมณ์นี้เป็นการไปหาความทุกข์เป็นการไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าความอยากความอยากนี้จะดึงให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆและรูปเสียงกลิ่นรสที่เสพนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ ไม่ให้ความอิ่มไม่ให้ความพอมเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวพอเสพไปสักพักหนึงแล้วมันก็หมดไปพอหมดไปก็ต้องไปหามาเสพใหม่อยู่เรื่อยๆเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเสพแล้วก็จะติดถ้าติดแล้วก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ <Okay. S 2> เวลาตายจากโลกนี้ไปร่างกายตายไปแต่ความอยากกิเลสที่อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ก็ยังมีอยู่ต่อไป ก็ต้องพยายามกำจัดความอยากต่างๆให้หมดชิ่นไปจากใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นที่สองคือขั้นของของการภาวนาขั้นแรกสมถะภาวนาทําใจให้สงบพอจากสมาธิมาพอใจเริ่มปรุงแต่งเริ่มไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเลอะลาบยศทะริสน่าความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยากจะไปเสพสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเอาปัญญามาสอนใจ สอนให้เห็นว่าราบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกิริยานี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาใหม่ๆมันก็ให้ความสุขแต่พอสักระยะหนึ่งมันก็จางหายไปพอจางหายไปมันก็ทําให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ยหิวโหยขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปหาความสุขแบบนี้อีกหามากี่รอบกี่ครั้งมันก็ไม่อิ่มไม่พอให้เห็นว่ามันจะทําให้ใจทุกข์ แล้วจะทำให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาที่น่างกายนี้ตายไปใจก็ต้องไปหาน่่งกายใหม่มาใช้เพื่อมาเสพ ร, ราบยศฉลเสริญมาเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเอกเนี่ยพิจารณาให้เห็นนี่ว่าการทำตามความอยากนี้เราจะนำไปสู่ความทุกข์ใจและนำไปสู่การกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าพิจารณาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเกิดความอยากต่างๆขึ้นมา ใจก็จะไม่ไม่ต้องการที่จะทาต่างความอยากเพราะรู้ว่าเป็นการไปเป็นการไปหาความทุกข์ไปหาความแก่ความเจ็บความตายใหม่อยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้าพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นในใจไปเรื่อยๆต่อไปความอยากที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดพอใจหายไปหมดแล้วก็จะไม่มีเหตุที่จะพาให้ใจกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป การเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปการหยุดการเกิดก็จะก็จะได้ก็จะก็จะได้สาเร็จผลขึ้นมาคือเมื่อใจไม่มีความอยากของดยู่ในใจใจก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปใจที่ไม่กลับมาเกิดก็ใจที่บรยสุดที่เรียกว่านิพานนี่เองนิพานไม่ใช่เป็นสถานที่ไม่ใช่เป็นอะไรเป็นจิตใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละ ผูปฏิบัติที่ตอนที่เริ่มปฏิบัติก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงความอยากชนิดต่างๆอยู่พอได้รับการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอน3ข้อคือไม่จะทำบาปทาแต่บุญทําแต่กุศลแล้วก็ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทําจิตให้สงบด้วยการสอนใจให้เกิดปัญญาขึ้นมาพอปัญญาเห็นว่าความทุกข์ความทุกข์ต่างๆนี้เกิดจากความอยาก และสิ่งที่อยากก็ไม่ให้ความสุขที่แท้จริงให้เป็นความสุขชั่วคราวให้ความสุขที่จะต้องใบคอยเติมอยู่เรื่อยๆ <c oughs> พอต้องไปเติมอยู่เรื่อยก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองพอตัดความอยากเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้ว <c oughs> การที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปก็จะไม่มีอีกต่อไปใจก็จะอยู่ที่ความสงบของพระนิพพานไปตลอดเพราะไม่มีที่ไหนที่จะมีความสุขเท่ากับความสงบสุขของพระนิพพาน อยางที่ทรงตัดไว้ว่านิบานังปรามังสุขังความสุขที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดก็คือความสุขของพระนิพพานนั่นเองการที่จะให้ใจสงบบ่อยสุดได้ใจก็ต้องเป็นนิบานังปรมังสุญยงใจต้องเป็นใจที่ว่างจากความอยากทั้งหลายนี่เองคาว่าสุญยงนี้ไม่ได้หมายความว่าสาบหายสาบสูญไปบางคนเข้าใจผิดคิดว่าพอปฏิบัติถึงพระนิพพานแล้วตัวตัวผู้ปฏิบัตินี้จะหายไป ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดคําว่าหายนี่หมายถึงกิเลสตันหาความอยากที่เป็นเหตุที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายนี้มันหายไปจากใจมันไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วเพราะถูกกําจัดด้วยอํานาจของสมาธิและปัญญานั่นเองไม่ใช่จิตไม่หายจิตผู้ปฏิบัตินี้ยังอยู่เหมือนเดิม เหมือนกับเสื้อผ้าที่โสโปรกที่เราเอาไปซักเเวลาเอาเสื้อผ้าที่โสกรปรกไปซักสิ่งที่หายไปจากเสื้อผ้าคืออะไรไก็คราบโสโปรกต่างๆที่หายไปแต่ตัวเสื้อผ้าไม่หายถ้าทักเสื้อผ้าแล้วมันหายไปเราไปซักให้มันเสียเวลาทําไมใช่ไหมที่เราไปซักเพราะเราต้องการเอาสิ่งโสกรปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าให้มันหายไปเสื้อผ้าจะได้สะอาดใส่เสื้อผ้าสะอาดแล้วมันรู้สึกมีความสุขแมกากกว่าใส่เสื้อผ้าที่โสกครก อัในใดจิตใจก็เหมือนเสื้อผ้าที่ต้องที่สปกสปรกสกปรกด้วยกิเลสตัณหาข้ามความเศร้าหมองต่างๆที่มาคอยสร้างความทุกข์ที่คอยพาให้เรามาตัวแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนี่เราต้องกาเราต้องชำะตัวนี้ <ๆ S 2> ชำระความความโลคความ โ, โกรธความหลงความอยากต่างๆด้วยการบําเพ็ญจิตธรรมนาพอเราชำระเสร็จใจสะอาดบริสุทธิ์นี ใจยใจศูนย์จากสิ่งสกปรกทั้งหลายคือกิเลสตัณหาใจไม่ได้ศูนย์สิ่งที่ศูนย์ไปก็คือกิเลสตัณหาใจสะอาดบริสุทธิ์ที่เรียกวันนี้บาลังระมังศูนยันคือความความว่างความว่างของใจ ความว่างจากกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงนี่เรียกปราพลังศูนย์หงไม่ใช่จิตหายสาบสนไปจิตไม่มีวันหายไม่มีวันสาบสนนะ่ว่าจะเป็นจิตของปุถุชนหรือจิตของพระอรหันต์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมต่างกันตรงที่จิตของพระอารหันต์นี้ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปส่วนจิตของผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาจิตของปุถุชนนี้อย่างที่ยังไม่ได้รับการซักฟอกให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่เจ็บตายอีกต่อไป ก็คือจิตใจของพวกเราทั้งหลายทั้งปวงนี่เองแต่วันหนึ่งถ้าเรามีความเพียรพยายามมีศรัทธาความเชื่อน้อมน้อมเอาคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติทั้งสาข้อ น, นี้ไปปฏิบัติคือละการ ก, กระทําบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างคุณสนทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราสามารถปฏิบัติทําทั้งสามข้อ น, นี้ได้เต็มเต็มที่เต็มร้อย เราก็จะพบกับนิพพานังประมังสุขขังนิพพานังปละมังสุญ อ, อย่างแน่นอนและเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือคำตอบของชีวิตที่เรามักจะถามกันว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่อมาหยุดการเกิดนั่นเองและการจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้ า, จาทรงสอนคือละการกระทาบาปสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมละชลาระจิตใจให้สะอ า, าดบริสุทธ เว่าเราปฏิบัติได้ครบถ้วนแล้วการไม่มาเกิดก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของธรรมที่อามาฝากท่านในวันนี้ mm. ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา mm. จะขออนุโมทนาให้พร mm. ยะทาวาริวาหาปุราปาริปเลนติสากลัง เอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปัจจิตังตุมหังคิดเมวะสมิจจตุสัพเพปุแลนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณีโชดิระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุ สัพพโรโขวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศิริตสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวัฏานติอายุวโนสุขังพาลัง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 วิทยุออนไลน์เก้าท่นนานกลับเฮา8แปดท่านนาคกติสามร้อยสิบท่านรวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกท่านครับอาจารย์ <Okay. S 2> คำถามจากทาง YouTube ค่ะคุณเพนพันธ์ค่ะถามว่าเวลาจเจริญสติเราควรท่องพุทโธช้าหรือเร็วเจ้าคะขอบคุณค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมเามังครั้งถ้ามันจิตมันดื้ออาจจะต้องให้มันเร็วหน่อย หรือว่าเวลามันฟุ้งซ่านเนี่ยก็ต้องใช้ให้มันเร็วจะได้เผยมันได้แต่ถ้ามันเป็นปกติเราก็ไปแบบสบายๆก็ได้อันนี้แล้วแต่ภาวะของจิตใจว่ามันอยู่ในช่วงไหนเป็นแบบไหนก็ต้องอทดลองดูช้าบ้างเร็วบ้างแต่ข้อสําคัญอย่าหยุดก็แล้วกัน คำถามฝากถามค่ะพระอาจารย์ครับคำว่าทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี้พระนิพพานรวมอยู่ในทำทั้งหลายด้วยหรือไม่ครับไม่หรอกอันนี้หมายถึงสิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็เกิดสิ่งที่มีอยู่ถึงใ น, นที่เกิดแล้วมันจะต้องดับก็อย่าไปยึดอย่าไปติดมันพอไปยึดแล้วจะทุกข์เวลามันที่มันดับมันจากเราไปจากคุณชยยาภาค่ะ มีโอกาสไหมค้าที่คำสอนในพระไตรปิฎกปัจจุบันจะมีข้อผิดพลาดจากคำสอนของพระพุทธองค์ผิดไปบ้างเพราะการเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วเจ้าค่ะก็อย่าไปกังวลกับมันมากเกินเกินไปเชื่อฟังผู้ที่เขาปฏิบัติแล้วเขาได้ผลมาก็พอส่วนรายละเอียดติกย่อยนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งต้องมีการคอยชาระกันอยู่เรื่อย จากท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ถ้าไม่เคยเรียนพระไตรปิฎกไม่รู้ภาษาบาลีเหมือนผู้เรียนคนอื่นแต่ฟังธรรมจากหลวงพ่อและหลวงพ่อท่านอื่นๆแล้วน้อมใจถึงพระพุทธเจ้าเห็นโทษจากการเกิดปฏิบัติตามฟังที่ทำมาคือมีสติมีศีลกรรมบทมีพรหมิหารทำสมาธิสมถะและทำให้เกิดปัญญาขึ้นเกิดความว่างของใจจากสิ่งต่างๆจากขันห้าแล้วใจเย็นสบายมีสติรู้พ พร้อมรอบตัวถึงแม้จะเป็นระยะน้อยบ้างมากบ้างก็ตามและก็ปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่เรียนไม่ถูกไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่คะก็ดูผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติถ้าใจสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงมีสติอยู่มากขึ้นก็ถือว่าถูกทางจากเฟซบุ๊กค่ะ นมัสการ์ครับมีคำถามถ้าเรานั่งสมาธิจน จ, นจิตสงบสักพักเราค่อยพิจารณาไตารักษ์แล้วรู้สึกเวทนาถึงความทุกข์ทั้งหลายและเหตุการเศร้าต่างๆในอดีตที่เคยประสบเจอปัญหามาแบบนี้คือการที่จิตเรายังผูกกับเวทนาไหมครับเราควรแค่รับรู้เฉยๆแล้วดึงสติกลับมาที่ลมหายใจแบบนี้ถูกต้องไหมครับ คือการใช้ปัญญานี่มันมีสองลักษณะด้วยกันใช้ปัญญาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เวลานั่งแล้วร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาแล้วใจทุกข์ทรมานไปการการเจ็บปวดก็ใช้ใช้ปัญญาพิจารณาเวทนาความเจ็บปวดว่าเป็นอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันเกิดขึ้นมามันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปแต่เราไปสั่งมันไม่ได้ ถ้ามันจะอยู่เราก็ต้องอยากปรยากให้มันไปเพราะถ้าอยากให้มันไ ป, ม, นไปมันจะทำให้ใจเราทุกข์ <acağız. S 2> ถ้ า, ร เ, าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อยากปอยากให้มันไป <inte. S 2> อยากให้มันอยู่ก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะได้ดังใจ <inte. S 2> อยากให้อยากได้อะไรก็ได้ดังใจいいพอได้ดังใจใจก็มีความสุขในเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็บอกเออขออยู่ไปนานๆเหมือนกับเวลาที่เราเจอสุขเวทนาเราก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆ นี่คือการใช้ปัญญาเพื่อหยุดความอยากความอยากือที่เรียกว่าวิภาวะทันหาความอยากให้ความเจ็บปวดหายไป mm hmm. ถ้าเราหยุดตัวนี้ได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์ทรมานอันนี้ก็เรียกว่าการใช้ปัญญาในก้แก้ปัญหาปัจจุบันทันด่วนถ้าไมม่ีไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็พิจารณาปัญญาแต่คนจะพิจารณาไม่ใช่ช่วงที่อยู่ในสมาธิ ให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วก็มาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็พิจารณาดูว่าเรายังกลัวมันอยู่หรือเปล่าอยังทุกข์กับมันอยู่หรือเปล่าถ้ายังกลัวยังทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่ามันเป็นอนิจจังร่างกายมันไม่เที่ยงหน้าตาห้ามมันไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ไปเปล่าๆอันนี้ก็ทําการบ้านไว้ก่อน เือเวลาที่เจอไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายจะได้ อ, อ๋อเจอข้อสอบแล้วเว้ย <c oughs> ผ่านไม่ผ่านก็อยู่ตรงที่ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ <c oughs> ถ้าไม่ทุกข์ก็ผ่านไม่เดือดร้อนเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดา <c oughs> อันนี้ก็เป็นการทําการบ้านไว้ก่อน <c oughs> เพื่อเวลาที่เจอข้อสอบจะได้สอบผ่านได้ จากคุณศิวาการค่ะสอบถามครับสามีของเพื่อนแขวนคอเสียชีวิตเหตุเกิดขึ้นแล้วจิตวิญญาณของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างครับผู้มีชีวิตจะส่งข้อความอย่างไรได้บ้างครับคุณส่งได้ก็ส่งไปสิ <c oughs> คนที่จะติดต่อของคนตายได้นี่ต้องมี อ, มอุปจารสมาธิก็ <c oughs> มีพลังจิตที่เรียกว่ามีอภินยา มีความสามารถที่จะติดต่อพวกกายทิพย์ได้ถึงจะสา ม, มารถติดต่อกันได้มือนกัพวกที่มีโทรศัพท์มือถือกับพวกที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือพวกที่มือถือเขามีมือถือเขาก็าติดต่อกันได้พวกที่ไม่มีมือถือถ้าอยากจะติดต่อก็ต้องไปหามือถือมาใช้ จากคุณทีคัทานาค่ะเมื่อปฏิบัติสมาธิจนมีสติอยู่กับคําบริกรรมได้อยู่ทุกครั้งที่ต้องการระลึกรู้ทั้งยามตื่นและยามจะนอนก็เข้าพุทโธเป็นอัตโนมัติคําถามคือทําให้จิตตื่นอยู่ตลอดเวลาเวลานอนก็รู้พุทโธอยู่ตลอดเวลาบางครั้งทําให้หลับยากเจ้าค่ะควรแก้ไขอย่างไรบ้างเจ้าคะก็ผ่อนสติให้มันอ่อนลงเสีอย่าไปให้มันเข้มข้น ถึงเวลานอนก็แบบเอาสติแบบสบายสบายไม่ต้องไปคอยผักมันดันมันมันจะเผลอบ้างก็ปล่อยมันเผลอไปพอมันเผลอมันก็จะหลับเองจากท่านต่อไปค่ะการทําอานาปานสตินานจิตไม่เคยรวมเลยครับขอคําแนะนําหน่อยครับทําน้อยไปต้องทําให้มากขึ้นสติยังน้อยไปจเจริญสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิ จากคุณไดโนเสาร์ค่ะกราบเรียนหลวงพ่อช่วงแรกความคิดมากมายต่อมานิ่งสงบแต่ไม่สามารถพิจารณาข้อธรรมอะไรได้เลยขอเรียนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ไม่เล้นั่งเพื่อให้มันเป็นพิจารณาข้อธรรมนั่งเพื่อหยุดความคิดเมื่อความคิดหยุดมันจะไปพิจารณาอะไรได้มันคนละเรื่องกันนั่งสมาธินี้ไม่ใช่เป็นนั่งวิปัสสนาคนละอย่างกัน นั่งสมาธินี้ต้องการหยุดความคิดให้ใจนิ่งสงบให้ใจว่างจากความคิดเมื่อใจว่างก็จะไปคิดได้อย่างไรคิดไม่ได้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้นั่งเพื่อให้คิดนั่งเพื่อให้หยุดคิดเพื่อให้จิตสงบจะได้มีความสุขที่เกิดจากความสงบและจะได้มีพลังที่ยาวไปใช้ในการคิดต่อไปจากคิดก็ต้องออกจากสมาธิมาก่อนพอจิตเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอามาคิดเรื่องทาง ทางตายลักไปคิดจะนาร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไปเป็นต้นอันนี้ต้องคิดตอนที่ออกจากสมาธิแล้วตอนที่จิตนิ่งสงบอย่าไปคิดถ้าไปคิดก็ไม่ต้องเข้าสมาธิมันเสียเวลาคำถามจากคุณชาญยุทธค่ะ ถ้าปฏิบัติไม่ถึงพระโสดาบันในชาตินี้ก็ไม่แน่นอนใช่ไหมครับว่าถ้าเราตายไปในภพหน้าของเราจะไปตกนรกหรือเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์เดรัจฉานค่ะถ้ายังไม่เป็นาระรายาบุคคลก็ยังมีโอกาสที่จะเวียนว่ายตายเกิดในตายภพต่อไปได้จากทางยูทู e ค่ะจากคุณเพนพันธ์ค่ะ หากเราเห็นพระพุทธรูปเทวรูปสารพระภูมิเราควรยกมือไหว้ทุกครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลหรือไม่หากเดินผ่านเฉยๆทําได้ไหมคะจะเกิดสิ่งใดขึ้นหรือไม่คะขอบพระ ค, คะุณค่ะก็ลองดูเซิลองดวูว่าถ้าไหวแล้วไม่ไหวมันจะต่างกันไหมไหวแล้วเงินเดินขึ้นหรือเปล่าไม่ไหวแล้วเนเขาตัดเงินเดือนหรือเปล่าก็ต้องสังเกตดูเลย คำถามจากคุณกะหนกวันค่ะกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะพึ่งตรวจเจอคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งปอดตอนแรกทุกข์มากแต่พออ่านหนังสือนักเดินทางของพระอาจารย์แล้วมีสติสามารถเข้าใจได้การพัดพรากขอธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อระลึกถึงในการปฏิบัติ ด, ด้วยค่ะก็ต้องเราเลิอกอยู่บ่อยๆพระเจ้าทรงเตือนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเมื่อเราเกิดแล้วเราต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตาย เกี่ยวกับการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาเรื่องพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ให้คิดอยู่บ่อยๆแล้วใจจะยอมยอมรับไปทีละเล็กทีละน้อยต่อไปก็จะยอมรับได้อย่างเต็มที่พอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็เฉยๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นตกใจแต่อย่างใดตอนนี้ยังไม่มีเจ้าค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหม